อะไรคือสิ่งที่จำเป็นหรือสำคัญสำหรับชีวิตคำถามนี้หลายคนอาจจะไม่เคยถามแต่ถ้าหากว่าถามตัวเองหน่อยก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นคำถามที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราไล้บางทีมันอาจจะ ทำให้เรารู้ว่าทำไมเราจึงยังมีความทุกข์อยู่เวลาันึกถึงสิ่งที่จำเป็นหรือสำคัญสาหรับชีวิตเนี่ยหลายคนก็านึกไปถึงปัจจัยสี่ อาหารน้ำรวมทั้งยารักษาโรคเครื่องนุ่งหม่มที่อาศัยแล้วก็จะรวมถึงอากาศนะแต่เท่านั้นยังไม่พอนะอาตมาคิดว่าอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นและสำคัญสำหรับชีวิตเนี่ยก็คือความสุขอากาศ น้ำอาหารหลนทั้งอีกปัจจัยอื่นๆที่เรียกว่าปัจจสี่เนี่ยมันจาเป็นสำหรับร่างกายแต่จิตใจเราเนี่ยยังต้องการความสุขด้วยนคนเราเนี่ยถ้าขาดความสุขแล้วมันก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่นะ แม้จะมีข้าวป่าอาหารบริบูรณ์รนะวมทั้งความสะดวกสบายทางกายจะก็มีคนจนวนไม่น้อยที่เขาเลือกที่จะข่าตัวตายนะเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีความสุขแม้จะมีความ สุกกายก็จริงนะแต่ว่าสําคัญกว่านั้นคือความสุขใจมีความสุขกายนะแต่ว่าใจไม่มีความสุขมันก็แย่มือนกันนะบางคนเนี่ยยอมเลือกที่จะทุกข์กายถ้าหากว่ามีความสุขใจมีพี่ิงคนหนึ่ง ติดคุกเพราะคดียาเสจติดก็ติดอยู่หลายปีนะพอออกมาเนี่ยอยู่ได้ไม่กี่ปีนะจะบอกว่าเกย์จะเข้าคุกใหม่นะก็น่าแปลกนะเพราะว่าคุกเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมันแออัด มันร้อนมากเลยอัตมาเคยไปเยี่ยมดูสภาพในคุกห้องเล็กๆ เ, เนี่ยอยู่กันเป็นร้อยนะหน้าหนาวนี่ก็ลำบากมากเพราะว่าแต่ละคนได้แค่ผ้าห่มสามผืนพื้นหนึ่งเอาไว้ปูนอนอีกพื้นหนึ่งเอาไว้ม้นทำเป็นหมอนห่มจริงๆแค่ผืนเดียว อาหารก็คุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ทำไมผู้หญิงคนนี้เขาอยากจะกลับไปอยู่ในคุกใหม่เ้าบอกว่าออกมาแล้วเนี่ยนะไม่มีความสุขเลยเพราะว่าพ่อแม่ก็ดีญาติพี่น้องก็ดีเนี่ ย, เ, ยเรียกว่ามกเกาะเธอเรียกร้องเอาโน่ น, นเอานี่จากเธอ นะเธอมีเธอก็ให้แต่ว่ารู้สึกว่ า, ถ, าถูกก่อจนกระทั่งนั่นคะืนอตัดไปหมดนะนึกถึงวันคืนนะตอนอยู่ในคุกนะมันลำบากกายก็จริงนะแต่มันสบายใจมีชีวิตที่ไม่ต้องไป สนองความต้องการของใครอันนี้ก็ชีนะว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากครับที่นี่คือมันไม่สะดวกสบายเลยนะในทางกายนะแต่อาจจะสบายใจก็ได้ในทางตรงข้ามนะแม้ว่าจะ สบายกายแต่ถ้าใจไม่เป็นสุขเนี่ยคนก็เลือกนะที่จะลำบากกายนะแต่ว่าสบายใจมากกว่าเ้เวลาพูดถึงว่าความสุขคือสิ่งที่จาเป็นสลอชีวิตเนี่ยหมายถึงความสุขใจนะความสุขกายก็ ยังไม่สำคัญเท่ากับความสุขใจอันนี้ความสุขใจเนี่ยมันก็มาได้หลายวิธีนะวิธีหนึ่งที่คนคุ้นเคยก็คือการมีการได้าการเสพเช่นเวลาเราไปช็อปปิ้งเนี่ยนะ หลายคนก็มีความสุขนะความสุขที่ได้เสื้อตัวใหม่ค ว, ม main, ค, วมความสุขที่ได้ไปกินอาหารที่อร่อยความสุขที่ได้ไปดูหนังฟังเพลงอันนี้มอในแง่หนึ่งมันก็เป็นความสุขกายนะแต่ว่าบางคนเนี่ยได้ความสุขใจด้วย การเสรบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อปลนเปลือกายนะแต่ว่ามันสนองความต้องการทางใจไม่ใช่แค่ความอยากนะเช่นบางคนเนี่ยที่จริงหลายคนเนี่ยเข้าร้านกาแฟชื่อดังเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะไปกินกาแฟนะที่มีรสชาติดีเท่านั้นนะ แต่ว่ามันมันให้ภาพลักษณ์ว่าฉันเป็นคนทันสมัยฉันเป็นคนมีรสนิยมหลายคนหิ่กระเปา๋าแบรนด์เนมเนี่ยราคาเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นล้านเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่า กระเป๋านี่มันทนหรือมันเบานะหรือว่ามันแต่ตาเท่านั้นแต่มันให้ความภูมิใจว่าฉันเป็นคนมีรสนิยมรู้สึกว่าได้ยกระดับตัวตนให้สูงขึ้นเช่นเดียวกับการมีนาฬิการาคาเป็นแสนเป็นล้านเนี่ย มันไม่ใช่เพราะว่านาฬิการรชื่นตรงนะหรือว่ามันเบาแต่พราะมันสนองความต้องการตัวตนบางอย่างเป็นที่ยอมรับนะเป็นการยกระดับสถานภาพตัวเองขึ้นมาซึ่งอันนี้มันก็เป็นการสนองความต้องการทางใจ รองเท้านะบางยี่ห้อนี่แพงมากนะไม่ใช่เพราะมันนุ่มเท้าแต่เพราะว่ามันสร้างภาพลักษณ์หรือมันยกระดับภาพลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยถึงแม้จะเป็นการเสพวัตถุนะแต่ว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยมันไปปนเปลืนะ้องความต้องการทาจิตใจ เารว่าเสพอัตลักษณ์เสพอัตลักษณ์ไม่ใช่เสพวัตถุแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการเสพเนี่ยแม้ เ, เพื่อความสุขสบายทางกายหรือเพื่อความสุขทางใจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่พึ่งพิงได้นะ คนที่เขาฆ่าตัวตายเนี่ยนะเขาก็หลายคนก็มีสินค้าแบรนด์เนมสวมใส่ให่รามีเยอะแยะแต่ทำไมเขาถึงไม่อยากอยู่นะแน่ น, น่อยเขาขาดความสุขทางใจมันไม่ใช่ความสุขที่เกิดจากการเสพนะ จะเป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งจะเรีว่าความสุขที่เกิดจากการกระทําก็ได้ความสุขทางใจเนี่ยนะเศรษฐเท่าไหร่เท่าไรเนี่ยมันก็ไม่ทําให้รู้สึกเต็มอิ่มนะแต่บางครั้งการที่เราได้ทําในสิ่งที่ดีมีคุณค่าเนี่ยมันทําให้มีความสุขใจทําให้ ชีวิตมีความหมายเวลาพูดถึงการทำเนี่ยหลายคนรู้สึกว่าเป็นภาระทำงานเนี่เป็นต้นเนี่ยทำงานแล้วไม่อยากทำเลยหลายคนทำงานก็เพราะว่าจะได้มีเงินเดือนมีเงินจะได้เอาไปซื้อรถ ซื้อบ้านซื้อเสื้อผ้าซื้อแก้วแหวนเงินทองซื้อความสะดกสบายทางกายแล้วก็ได้เป็นที่ยอมรับทางสังคมนะว่าฉันเป็นคนมั่งมีอันนี้ก็เป็นความสุขทางใจแต่มันไม่เคยทําร็จสุดเต็มอิ่มเลยคนเราถ้าไม่ได้ทําในสิ่งที่มีคุณค่านะเอาแต่กินกินนอนๆ นะมีเงินเสจเนี่ยมันก็รู้สึกชีวิตไร้ความหมายนะบางทีไม่อยากอ ย, กอยู่เลยเมื่อสองสามวันก่อนก็มีคนมาปรึกษาเป็นห่วงแม่นะแม่นี่อายุกว่าแปดสิบละแม่บ่นว่าเบื่อไม่อยากอยู่ นม่อยากจะตายแต่เวลาเดียวกันก็กลัวตายนะเพราะว่าไม่เคยได้เตรียมตัวเรื่องความตายเลยแต่ก็ไม่อยากอยู่ฟังดูก็รู้เลยนะว่าหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่มีเครือข่ายญาติมิตร อย่างถ้าเป็นคนแก่สมัยก่อนเนี่ยเามีสังคมของเขาตอนเช้านะหรือสายๆก็ไปเจอเพื่อนๆอย่างเช่นไปกินอาหารที่ร้านกาแฟาหรือไปนั่งคุยกันที่ร้านกาแฟานี่จะเป็นในเมืองสมัยก่อนเราก็เห็นคนแก่ไปนั่งโขกหมักลุกกันถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจ ะ, ะไป มีวงของตัวเองเนี่ยวงเล่นไพ่เป็นต้นนะไม่ได้เอาเงินนะแต่ว่ามันเป็นการพบปะเพื่อนฝูงแต่คนสูงวัยสมัยนีย้อยู่ในเมืองไม่ค่อยได้มีสังคมของตัวเองเท่าไหร่ก็อยู่กันแต่ลูกกับหลาน มีเพื่อนบ้างเพื่อนก็นตายไปทีละคนสองคนให้เพื่อรุ่นใหม่ๆก็ไม่ค่อยมนะีอันนี้คือสภาพของคนมีอายุในเมืองนะยิ่งถ้าเกิดว่าคู่เชื่ อ, องตัวเองตายไปเนี่ยเช่นสามีตายภริยาตายยิ่งว้าวเวเข้าไปใหญ่นี่ก็ปัญหาหนึ่งอีกปัญหาหนึ่งเกิดเพราะว่า ไม่มีอะไรจะทำถ้าเป็นคนแก่สมัยก่อนเนี่ยนะก็มีหลานให้เลี้ยงแม้กระทั่งคนแก่ในชนบทเนี่ยก็ยังอายุเจ็ดสิบแปดสิก็ยังเลี้ยงหลานดูมันมีภาระแต่มันทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขามีคุณค่าถ้าไมได้เลี้ยงหลานก็ทอผ้า สารกระบุงตะ ก, กาแต่คนในเมืองสมัยนี้พอมีอายุมากไม่มีงานทำเนี่ยเช่นกเกษียณเนี่ยก็รู้สึกที่มันว่างเปล่ามีอีกลายหนึ่งก็มาปรึกษานะแม่อายุแค่ห2สบสองไม่ได้ทำงานมายี่สิบกว่าปีแล้วเคว้ง เงินน่ะไม่ขาดนะมีเงินไม่ต้องทำงานก็มีเงินแต่เบื่อรู้สึกชีวิตนั่ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่อันนี้ก็โรคเดียวกันนะคนเหล่านี้เนี่ยนะเดี๋ยวนี้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ เงินไม่ขาดนสิ่งเสพก็มีพรั่งพร้อมจะไปกินอาหารที่ไหนนจะไปเที่ยวที่ไหนนะลูกๆ ก, ก็พาไปหรือหามาให้แต่ชีวิตนี่มันสึกไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ อันนี้ว่าเป็นพ่อเขาขาดนะขาดความสุขที่เกิดจากการได้กระทําได้ทําสิ่งที่มีคุณค่ า, าคนเหล่านี้เนี่ยพอได้ทําในสิ่งที่มีคุณค่านี่จะกลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยเหมือนกับคนแก่คนหนึ่งที่ประเทศไต้หวันเนี่ยอาตมาเคยไปดูงานที่ประเทศไต้หวันไปดูงานของมูนิธีเฉือจี้ เมื่อสิบปีที่แล้วชื่อจรนี่ก็เป็นมูลนิธิทางพุทธศาสนาซึ่งมีกิจกรรมมาเป็นประโยชน์เยอะแยะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยแพทย์เขาก็สร้างแล้วเขาก็มีโรงแยกขยะสถานีแยกขยะอีกเป็นพันๆแห่ง เคยไปดูสถานีจักยาแห่งหนึง่งง่ายๆนะไม่มีอะไรมากไมไ่ติดแอร์อะไรมีอาสาสมัครมาช่วยทำงานทั้งวันเลยคนแก่ทั้งนั้นนะถ้ามองแบบสายตาคนแล้วคือนะอาซิมอัม่าอัแปะแต่คนเหล่านี้นี่เขาเป็นคนที่เคยเป็นวิศวกรเคยเป็นสถาปนิก เคยเป็นผู้จัดการนะงานดีๆทั้งนั้นนะกเกษียณมาแล้วเขาก็มาเป็นจิตอาสามีคนตองพูดว่าเนี่ยผมอะ่ะคือขยะคืนชีพเพราะว่าตอนที่เขากเกษียณเนี่ยตอนกเกษียณก็ดูสบายนะแล้วก็ยังสบายอยู่นะแต่ว่าไม่มีความสุขเพราะว่านั่งๆ น, นอนๆ ได้แต่ดูโทรทัศน์นะมีของกินไม่ขาดอยากไปเที่ยไหนก็ได้ไปมีเงินเยอะมีเวลาด้วยแต่ทำงี้ไปสักสามี่ปีเนี่ยรู้สึกชีวิตมันไม่มีคุณค่ารู้สึกตัวเองเหมันขยะแต่พอไปเป็นจิตอาสานะที่สถานีแยกขยะนี่มันมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเลยก็เลยบอกว่าเนี่ยผมคือขยะคืนชีพ ใด น, นี้คนที่สวยตัวเองมันขีออย้ยะนี่มีเยอะนะคนเราที่ก็มีความสุขกายมีเงินมีทองใช้แต่ไม่มีความสุขใจเพราะไม่ได้ทำสิ่งที่มีคุณค่าผู้ง่ายคือไม่ได้ทำงานนอะใ้การที่คนเราได้ทำในสิ่งที่มีประโยชน์เนะี่ยแม้กระทั่ง เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหรือว่าทอผ้าสารกระบุงตะกร้าอย่างคนชนบทสมัยก่อนหรือสมัยเนี้ซึ่งยังมีอยู่มันก็ทำให้เขามีความสุขนะทำให้เขารู้ว่าเขาอยู่ไปเพื่ออะไรคนเดี๋ยวนี้จำนวนมากเลยไม่อว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรบางทีไม่ใช่แค่คนแก่นะยังสาวก็มี มันก่อนได้ดูคลิปวิดีโอนะประมาณทักสองสานาทีเป็นคลิปที่ดีมากนะผู้หญิงหน้าตาดีร่ำรวยนะมาปรึกษาจิตแพทย์บอกว่าเธอบอกว่าเธอไม่มีความสุขเลยเครื่สื่อช่วมันว่างเปล่าไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหรนะ่จิตแพทย์แทนที่จะให้ยาหรือว่าให้คำแนะนำในทางวิชาการ ก็บอกกับเธอว่าเนี่ยอยากจะให้ฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะสนใจไหมเออเธอบอกสนใจนะหมอก็เลยไปเรียกแม่บ้านคนหนึ่งซึ่งกำลังทําความสะอาดมาบอกว่าเนี่ยมาเล่าเรื่องของเธอให้ผู้หญิงคนนี้ฟังหน่อยแม่บ้านคนนี้ก็เลยนะวางไม้กวาดแล้วก็มาเล่าเธอบอกว่าเนี่ยเธอ สักปีสองปีก่อนเนะ่ยเธอสูญเสียสามีนะสามีเป็นมาลาเรียตาย เ, าเป็นมลยเรียตายนีสดงว่าเป็นต้องเป็นคนจนนะะไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่สามเดือนต่อมาลูกกระโดดรถชนตายชีวิตเธอไม่เหลืออะไรเลยที่จริงชีวิตเธอยังมีอยู่นะยังมีบ้านนะยังมีทรัพย์สมบัติแต่พอขาด สามีขาดลูกแล้วมันก็เหมือนกับว่าไม่เหลืออะไรเลยเธอกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็ไม่สามารถจะยิ้มได้จนกระทั่งเนี่ยคิดถึงการฆ่าตัวตายแต่แล้ววันนึงเนี่ยขณะที่เดินจากที่ทํา ง, งานกลับบ้านเนี่ยมันมีแมวตัวหนึ่งเนี่ยตัวเล็กๆ เ, เป็นลูกแมว หอมแห้งเลยนะวิ่งตามเธอมาจนถึงประตูบ้านเธอสงสารนละ้วพราะข้างนอกมันหนาวก็เลยอุอ้มแมวมาไว้ในบ้านแล้วก็หารนมให้มันกินเมื่อกินมันก็เลียจนมันกินจนหมดแล้วก็เลียจนไม่เหลือเลยนะจานหรือชามที่ใส่นมเนะี่ยแล้วมันก็มีความสุขมากมันก็มา นวเนีย่ยที่ขาเธอเธอเผลยิ้มแล้วก็ฉกคิดึ้นมาได้ว่าเอ๊ะเราไม่เคยยิ้มยนี่ ม, มานานแล้วถ้าการที่การที่เธอช่วยแมวเนี่ยให้มีความสุขมันทำให้เธอยิ้มได้ถ้าเธอไปช่วยคนอื่น มันก็คงทําให้เธอมีความสุขเหมือนกนนันเธอก็เลยนะว่ารุ่งขึ้นเธอก็เลยทําขนมปังเนี่ยนะไปใ ห, ให้เพื่อนบ้านกนถึงซึ่งกําลังป่วยไปเยี่ยมเธอให้กําลังใจเธอแล้วเธอก็มีความสุขนะไปเยี่ยมเขาช่วยเขาเขามีความสุขเธอก็มีความสุขเธอก็เลย ตั้งใจว่าเนี่ยทุกวันเนี่ยนะจะไปช่วยเหลือใครสักคนให้เขามีความสุขแล้วเธอก็พบว่านับแต่นั้นมาเธอก็กินได้นอนหลับมีความสุขเรียกได้ว่ามีน้อยคนที่จะมีความสุขเท่าเธอเธอพูดอย่างนั้น ผู้หญิงคนที่มหาจิตแพทย์ได้ฟังแล้วก็รู้เลยนะว่าทำไมเธอถึงไม่มีความสุขชีวิตว่างเปล่าทั้งที่เธอมีเงินมีทุกอย่างเนี่ยแต่เธอมีแต่ความสุขเฉพาะที่ได้จากการเสพนะไอ้ความสุขที่เกิดจากการทำสิ่งที่ดีมีคุณค่าเนี่ยเธอไม่รู้จักเลย เพราะว่าชีวยเธอไม่ได้ทำอะไรที่มันมีประโยชน์้นนเห็นเลยนะว่าการได้ทําในสิ่งดีๆมีประโยชน์เนี่ยมันเป็นบอกเกิดแห่งความสุขเหมือนกันคนมักคิดว่าเนี่ยฉันจะมีความสุขได้ถ้าฉันมีอย่า ง, งานู้นมีอย่างนี้ถ้าฉันมีรถยนตมีบ้านมีเงินเดือนเยอะ ฉันดึงจะมีความสุขหรือว่าถ้าอยากมีความสุขก็ต้องไปเที่ยวห้างนะไปเสพทางตาบ้างทางหูบ้างทางปากบ้างอย่างเช่นไปดูหนังนฟังเพลงหาของกินอร่อยอ่อยอันนี้คือยอดปรารถนาของคนทุกวันเนี้ยคืออยากจะมีเงินเยอะๆเพื่อจะได้มีความสุขแบบเนี่ย ยิ่งมียิ่งไม่ต้องทำงานเท่าไหร่นะยิ่งชอบนะแต่พอไม่ได้ทำงานจริงๆเนี่ยจะรู้เลยนะว่าชีวิตมันเคว้งคว้างพอไม่ได้ทำในสิ่งที่มีประโยชน์หลายคนเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนะซึ่งมัจะเกิดขึ้นกับคนที่มีอายุมากก็เพราะว่าไม่มีงานทำ ลูกก็โตหมดแล้วนะหลานก็ไม่มีวันๆเอาแต่นั่งๆนอนๆอนดูโทรทัศนะ์ดูวิดีโอหรือบางทีก็สมัยนี้ก็เล่นไลน์เล่นเฟซนะอันนี้คือการเสพทั้งนั้นเลยนะถ้าไม่ได้ทำในสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยทุกวันตื่นมา มันก็จะมีคำถามว่าอยู่ไปทำไมเนี่ยเรียกว่าไม่มีจุดมุ่งหมายในการดำเนินชีวิตยิ่งถ้าไม่มีเครือข่ายนะไม่มีสังคมลูกๆ ก, ก็ไปทำงานวันๆก็ว่างอันนี้เป็นปัญหาของอผู้สูงวัยหลายคนมากนะซึ่งคนที่เป็นลูก ก็รู้สึกวิตกกังวลแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ลามมาถึงคนหนุ่มสาวนะวัยกลางคนเพราะว่าอาจจะมีงานทำก็จริงนะแต่ไม่ได้ทำด้วยใจรักทำเพราะจำเป็นต้องทำจะได้มีเงินเดือนเพราะคิดว่า เงินเดือนนี่แหละนะที่จะเอาความสุขมาปนเปื้อนได้แต่ต่าบใดที่ยังเป็นความสุขจากการเสพนะมันก็ยังไม่ทำให้มีความสุขใจอย่างแท้จริงมันต้องได้ลงมือทำนะนะพอได้ทำแล้วเนี่ยจะรู้สึกเลยโอ้ลูกนี้ทำไปนานแล้วนะบางคนไปเป็นจิตอาสา แต่บางคนก็เพียงแค่ได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักอาทีแรกอาจจะไม่ได้รักแต่พอทำใจให้รักงานนั้นเนี่ยมันมีความสุขจริงจริเนี่ยเด็กเนี่ยถ้าว่าเขารู้จักความสุขจากการเรียนนะก็จะ ม, มีความสุขมากเลยพอถึงเช้า ว, วันจันทร์เนี่ยเขาอยากจะไปโรงเรียน แต่เด็กสมัยนี้ถึงเช้าวันจันทร์เนี่ยไม่อยากไปงองแงถ้าเป็นเด็กเล็กต้องให้รางวัลต้องให้เอาของมาล่ออันนี้เราเราเลี้ยงดูลูกเนี่ยให้รู้จักแต่ความสุขด้วยการเซฟนะไม่ได้สอนให้เขารู้จักความสุขจากการที่ได้ทำอย่างเช่นเรียนหนังสือก็มีความสุขนะมันจะสร้างความใฝ่รู้ให้กับเขาสร้างความขยัน พอเด็กไม่รู้จักความสุขจากการเรียนนะรู้จักแต่ความสุขจากการเสพพอโตขึ้นก็ไม่อยากทํางานแต่จําเป็นต้องทําเพราะว่ามันจะได้มีเงินมาซื้อนั่นซื้อนี่จะได้มีเงินเป็นหมื่นหลายหมื่ น, ห, ห, นหรือเป็นแสนนะได้ทุกอย่างที่ต้องการก็ยังไม่มีความสุขส่วนหนึ่งเพราะยังรู้สึกว่ายังได้ไม่พอ แต่ถึงจะได้มากเท่าไหร่ถ้ามันมีความสุขจากการทำงานเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหรือหนักกว่านั้นคือว่าไม่ทำงานแล้วฉันจะเสพอย่างเดียวอันนี้ยิ่งช่วยมันยิ่งห่อเหี่ยวเข้าไปใหญ่จริงนอกจากความสุขจากการาทำงานที่มีค่าแล้วนะ ความสุขจากการทำสมาธิเนี่ยอันนี้ก็เป็นสุขที่ลึกซึ้งมากถ้าเป็นความสุขที่เราก็ควรจะรู้จักเหมือนกันนะนอกจากการทำโน่นทำนี่ที่มีประโยชน์มีคุณค่ารวมทั้งการทำงานดีเลกเช่นปลูกต้นไมน้ดูแลสิ่งแวดล้อมในบ้านให้มัน สงบร่มรื่นแล้วเนี่ยไอการที่ได้ทำให้กับใจของตัวนะเช่นทำสมาธิเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนกันนะเพราะมันจะมาถึงช่วงหนึ่งของชีวิตนะั่นที่เราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะแก่เ <s> พราะป่วยนะแต่ก็ยังมีความสุขอยู่ได้นะเพราะว่ารู้จักทำใจ กาทำใจนี่มันก็ทำได้หลายอย่างนะแต่วิธีที่ดีเนี่ยคือการทำสมาธิเจริญสติทำให้พบความสงบในใจไม่มีงานทำเพราะทำอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าใจก็ยังสงบได้มีความสุขเดี๋ยวนี้ก็มีคนจํานวนหนึ่งนะพอป่วยทำอะไรไม่ค่อยได้หรือแก่มากเนี่ย ก็จะรู้สึกเคว้งควางแล้วเพราะทำงานมาตลอดอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะความสุขจากการทํางานเนี่ยนะมันก็ดีแต่ว่าถ้าไปนึกถึงแต่การทํางานทําอย่างอื่นไม่เป็นอย่างเช่นทําสมาธิเนี่ยพอแก่ตัวมันก็รู้สึกว่างเปล่าเรื่อรู้สึกเบื่อขึ้นมา แต่ถ้าเราเออรู้จักทำสมาธิแม้ป่วยนอนติดเตียงทำอะไรไม่ได้เราก็ยังมีความสุขความสงบจากการสร้างความรู้สึกตัวนะจากการตามลมหายใจไม่รู้สึกกระสับ ก, กระส่ายรู้จักปล่อยรู้จักวางนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยหากว่าเราคิดว่าความสุขเนี่ยนะมันเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นสาหรับชีวิตเนี่ยก็ต้องพยายามนะเข้าถึงความสุขที่มันดีกว่ามันประเสริฐกว่าไอ้ความสุขจากการเสพโดยเพราะเสพปัตถุหรือความสุขจากการมีการได้เช่นมีเงินนะมีทรัพย์สินเงินทองหรือแม้กระทั่งมีชื่อเสียง ไอ้พวกนี้มันยังไม่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงเท่าความสุขจากการทำนะเริ่มจากการทําสิ่งที่มีคุณค่าช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นจนกระทั่งขยับมาสู่การนะฝึกจิตทําสมาธิเจริญสติทําความสึกตัวเนี่ยพวกนี้มันทําให้เราเนี่ยมีความสุขได้ทุกคนทุกแห่ง แล้วมันก็จะหล่อเลี้ยงใจไปจกนกระทั่งในยามที่เจ็บในยามที่ป่วยในยามที่ใกล้ตายก็ไม่กระสับกระส่ายยังสามารถจะเป็นปกติสุขได้เอาละชานี้เพิ่มเท่านี้นะอ้าวกราบพางัง